ปฏิโลมบุคคลเอกับมูลกันในสาสิหอนุการมราคานุสัยของบุคคลใดไม่ใช่นอนเนื่องปฏิคานุสัยของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่ปฏิปฏิคานุสัยของบุคคลใดไม่ใช่นอนเนื่องการมราคานุสัยของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่อนุกามราคานุสัยของบุคคลใดไม่ใช่นอนเนื่อง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 กามราคานุสัยของบุคคลใดไม่ใช่นอนเนื่องทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่ปฏิวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลใดไม่ใช่นอนเนื่องกามราคานุสัยของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลสองจำพวกไม่ใช่นอนเนื่องแต่กามราคานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่อง วิจิกริชานุสัยของบุคคลอีกสองจำพวกไม่ใช่นอนเนื่องและการมราคานุใสก็ไม่ใช่นอนเนื่องอนุการมราคานุสัยของบุคคลใดไม่ใช่นอนเนื่องเพราะว่าราคานุสัยอาวิชานุสัยของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิการมราคานุสัยของอนาคามีบุคคลไม่ใช่นอนเนื่องแต่อาวิชานุส <Army> eh. uh, ัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องการมราคานุสัยของอรหันตกบบุคคลไม่ใช่นอนเนื่อง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 และมานานุสสยก็ไม่ใช่นอนเนื่องอนุมานานุสัยของบุคคลใดไม่ใช่นอนเนื่องภาวะราคานุใสัเอาวิชานุสสยของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่ปติอาวิชานุสสยของบุคคลใดไม่ใช่นอนเนื่องมานานุสสยของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่สาสิบเกอนุทิฏฐานุสัยของบุคคลใดไม่ใช่นอนเนื่อง วิจิกิชานุส e ัยของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่ปฏิวิจิก <c Öz ell großes> ิชานุสัยของบุคคลใดไม่ใช่นอนเนื่องทิฐานุสัยของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่อนุทิฐานุสัยวิจิกิชานุสัยของบุคคลใดไม่ใช่นอนเนื่องภาวะราคานุสัยอวิชานุสัยของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิ วิจิกิจานุสัยของบุคคลสามจำพวกไม่ใช่หนอนเนื่องแต่อวิชานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องวิจิกิจานุสัยของอรหันต์บุคคลไม่ใช่นอนเนื่องและอวิชานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องปฏิอวิชานุสัยของบุคคลใดไม่ใช่นอนเนื่องวิจิกิจานุสัยของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่หนอนเนื่องใช่ไหมวิใช่สี่สิบอนุภาวะราคานุสัยของบุคคลใดไม่ใช่นอนเนื่อง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 วิกิกริชานุสัยของบุคคลอีกสองจำพวกไม่ใช่นอนเนื่องการมราคานุสัยและปฏิคานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องอนุกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยของบุคคลใดไม่ใช่นอนเนื่องภาวราคานุสัยอวิชานุสัยของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยของอนาคามีบุคคลไม่ใช่นอนเนื่องแต่อวิชานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่อง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 แต่การมราคานุสัยปฏคิ Vert WIL ะคานุสัยและมานานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องวิจิกิจฉานุใสการมราคานุสัยและปฏิคานุสัยของอนาคามีบุคคลไม่ใช่นอนเนื่องแต่มานานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องวิจิกิจฉานุสัยของอรหันตบุคคลไม่ใช่นอนเนื่องการมราคานุสัยปฏิคานุใสและมานานุใสก็ไม่ใช่นอนเนื่องอนุการมราคานุใสปฏิคานุสัย และมานานุสัยของบุคคลใดไม่ใช่นอนเนื่องเพราะว่าราคานุสัยอวิชานุสัยของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่ปฏิอวิชานุสัยของบุคคลใดไม่ใช่นอนเนื่องกามราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่ติกกะมูลกันในจบจตุกะมูลกะนใน43สาอนุ การมราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยและทิฏฐานุสัยของบุคคลใดไม่ใช่นอนเนื่องวิจิกิจชานุสัยของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่ปฏิวิจิกิจชานุสัยของบุคคลใดไม่ใช่นอนเนื่องกามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยและทิฏฐานุสัยของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิ ว external external ิจิกิจฉานุสัยและทิฐานุสัยของบุคคลสองจำพวกไม่ใช่นอนเนื่องแต่การมราคานุใสปฏิคานุไสและมานานุใสไม่ใช <met> ่ไม่นอนเนื่องวิจ <forgotten> <met> ิกิจฉานุสใสการมราคานุสัยปฏิคานุสัยและทิฐานุสัยของอนาคามีบุคคลไม่ใช่นอนเนื่องแต่มานานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องวิจิกิจฉานุสัยของอรหันตบุคคลไม่ใช่นอนเนื่องการมราคานุสัย ปฏิคานุใสมานอนุสัยและทิฏฐานนุใสก็ไม่ใช่นอนเนื่องจะตุกะมูลกะในจบปันจัระมูลกะในสี่สิบสี่อนุการมราคานุใสปติคานุใสมานานุใสทิฏฐานนุใสและวิจิกิจฉานุใสของบุคคลใดไม่ใช่นอนเนื่องเพราะว่าราคานุใสเอาวิชานุสัยของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่ปฏิ อาวิชานุสัยของบุคคลใดไม่ใช่นอนเนื่องกรามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิฉานุสัยของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่ปัญจักระมูลกะไนจบฉากกะมูลกะใน45อนุพรามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิฉานุสัย และภาวาราคานุสัยของบุคคลใดไม่ใช่นอนเนื่องอวิชานุสัยของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่ปฏิเพาวิชานุสัยของบุคคลใดไม่ใช่นอนเนื่องการมราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยและภาวาราคานุสัสของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่ชักกะมูลกะในจบ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 ไม่ใช่ไม่นอนเนื่องและปฏิคานุสัยก็ไม่ใช่านอนเนื่องปฏิปฏิคานุสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องกรรมราคานุสัยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิปฏิคานุสัยในที่นี้คือในเวทนาสองในกรรมท่าไม่ใช่นอนเนื่องแต่กรรมราคานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องปฏิคานุสัยในที่นี้คือในรูปธาตุอรูปธาตุและในสภาวะธรรมที่ไม่นับหนึ่องในวัฏฏะทุก์ ไม่ใช่นอนเนื่องมานานุสัยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิปรามราคาุสัยในที่นี้คือในรูปปัทธรูปปัทรูปปัรูปปัทธรูปปัทนรูปปัทธรูปปัทธรูปปัทธรูปปัทธู่ปปัทธรางปัทธรูปปัทธรูปปัทธรนปปทธรูปปทธรูปปัทธรูปปธรรปปัทธรูับธนู่ปัทนรูปทธรุปปัทธรูปปนทนรูปปัทธรูปปัทธสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องปฏิทธรูปปัทธรที่ใดไม่ใช่นอนเนื่อง การมราคานุสัยในที่นั้นก네็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่อนุกามราคานุสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิการมราคานุสัยในที่นี้คือในทุกขเวทนาในรูปธาตุและอรูปธาตุไม่ใช่นอนเนื่องแต่วิจิจิชนุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องกามราคานุสัยในที่นี้คือ ในสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในว okay? i mean? well, like ัตท so ุ์ไม่ใช่ไม่นอนเนื่องและวิจิจิชนุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องปฏิวิจิจิชนุสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องกามาราคานุสัยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่อนุกามาราคานุสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องเพราะว่าราคานุสัยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิกามราคานุสัยในที่นี้คือ ในรูปธาตุและรูปธาตุไม่ใช่นอนเนื่องและราวาราคานุัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องกรรมราคานุัยในที่นี้คือในทุกขเวทนาและในสภาวะธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุกข์ไม่ใช่นอนเนื่องและพราวาราคานุัสก็ไม่ใช่นอนเนื่องปฏิภาวะราคานุัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องกรรมราคานุัยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิภาวะราคานุัยในที่นี้คือ ในเวทนาสองในกรรมธาตุไม่ใช่นอนเนื่องแต่กลมราคานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องเพราะว่าราคานุสัยในที่นี้คือในทุกขเวทนาและในสภาวะธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตตะทุกไม่ใช่นอนเนื่องและกลมราคานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องอนุกลมราคานุสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องเอาวิชานุสัยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิกลมราคานุสัยในที่นี้คือ ในทุกเขเวทนาและในรูปธาตุอรูปธาตุไม่ใช่นอนเนื่องแต่ ε, อวิชานุสัยไม่ใ no ช่ไม่นอนเนื่องรามราคานุสัยในที่นะี้ค <append. S 2> ือในสภาวะธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกไม่ใช่นอนเนื่องและอวิชานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องปฏิอวิชานุสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องรามราคานุสัยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่สี่เจอนุ ปัจจุบนุสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องมานานุตสัยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิปัจคุบนุสัยในที่นี้คือในเวทนาสองในกลามัทธะในรูปะธาตุและรูปะธาตุไม่ใช่นอนเนื่องแต่มานานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องปัจคุบนุสัยในที่นี้คือในสภาวธรรมที่ไม่นับเนึ่องเหนือวัตทุไม่ใช่นอนเนื่องและมานานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องปฏิ มานานุสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องปฏิคานุัยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิมานานุสัยในที่นี้คือในทุกขเวทนาไม่ใช่นอนเนื่องแต่ปฏิคานุัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องมานานุสัยในที่นี้คือในสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกไม่ใช่นอนเนื่องและปฏิคานุัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องอุปฏิคานุัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิปฏิคานุสัยในที่นี้คือในเวทนาสองในกลามธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุไม่ใช่นอนเนื่องแต่วิจิกิจฉานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องปฏิคานุสัยในที่นี้คือในสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุไม่ใช่นอนเนื่องและวิจิกิจฉานุัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องปฏิวิจิกิจฉานุัยในที่ใไดไม่ใช่นอนเนื่อง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 ในกามาธาตุและในสภาวะธรรมที่เนนับเนื่งในวัตทุก์ไม่ใช่นอนเนื่องและปฏิคานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องอนุปฏิคานุสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องอาวิชานุสัย anyway. ในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิปฏิคานุสัยในที่นี้คือในเวทนาสองในกามาธาตุและในรูปธาตุเอารูปธาตุไม oh. ่ใช่นอนเนื่องแต่อาวิชานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่อง ปฏิคานุสัยในที่นี้คือในสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุก์ไม่ใช่นอนเนื่องและอวิชานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องปฏิอวิชานุสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องปฏิคานุสัยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่สี่สิบปอนุมานานุสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องทิฏฐานุสัยวิจิกิจิชนุสัยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิ มานานุสัยในที่นี้คือในทุกเวทนาไม่ใช่นอนเนื่องแต่วิจิขิจฉานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องมานานุสัยในที่นี้คือในสภาวธรรมที่ม่นับเนื่องในวัตถุทุ์ไม่ใช่นอนเนื่องและวิจิขิจฉานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องปฏิวิจิขิจฉานุสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องมานานุสัยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่อนุมานานุสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่อง ภาวราคานุสัยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่ปฏิภาวะราคานุสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องมานานุใสในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิภาวะราคานุน anyway. นสัยในที่นี้คือในเวทนาสองในกามาธาตุไม่ใช่นอนเนื่องแต่มานานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องภาวะราคานุสัยในที่นี้คือในทุกเวทนาและในสภาวธรรม ที่ไม่นับเนื่องในวัตตทุกไม่ใช่นอนเนื่องและมานานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องอนุมานานุสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องอวิชานุสัยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิมานานุสัยในที่นี้คือในทุกคเวทนาไม่ใช่นอนเนื่องแต่อวิชานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องมานานุสัยในที่นี้คือในสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตตทุกไม่ใช่นอนเนื่องและอวิชานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่อง ปฏิอาวิชานุสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องมานานุสัยในที่นั้นก็ไม <pe ่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่สี่สิบเก้าอนุทิฐานุสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องวิจิกิชานุสัยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่ปติวิจิกิจชานุสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องทิฐานุสัยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่อนุ ทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยในที si walker, ใ่ใดไม่ใช่นอนเนื่องเพราะว่าราคานุสัยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่ปฏิเพราะว่าราคานุสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องวิจิกิจฉานุใสในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิเพราะว่าราคานุสัยในที่นี้คือในเวทนาสามในกรามธาตุไม่ใช่นอนเนื่องแต่วิจิกิจฉานุใสไม่ใช่ไม่นอนเนื่อง เพราะว่าราคานุสัยในที่นี้คือในสภาวะธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์ไม่ใช่นอนเนื่องและวิจิจิชนุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องอนุวิจิจิชนุสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องอาวิชานุสัยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่ปติเอาวิชานุสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องวิจิจิชนุสัยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่ห้าสิบอนุ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 ภาวะราคานุสใยในที่นั้นก so sure. in ็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่เอกะโมลกะในจบทุกกะโมลกะในห้าสิบเอ็ดอนุการมราคานุสัยและปฏิคานุสใยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องมานานุสใยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิการมราคานุสัยและปฏิคานุสใยในที่นี้คือในรูปธาตุและอรูปธาตุไม่ใช่นอนเนื่อง แต่มานานุสายไม่ใช่ไม่นอนเนื่องการมราคานุสัยและปฏิคานุสัยในที่นี้คือในสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตถุทุกไม่ใช่นอนเนื่องและมานานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องปฏิมานานุสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องการมราคานุสัยและปฏิคานุสัยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิมานานุสัยและการมราคานุสัยในที่นี้คือในทุกขเวทนาไม่ใช่นอนเนื่อง แต่ปฏิคานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องมานานุสัยในที่นี้คือในสภาวธรรมที่มีนับเนื่องในวัฏฏุก์ไม่ใช่นอนเนื่องกรามราคานุสัยและปฏิคานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องอนุกรามราคานุสัยและปฏิคานุสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิกรามราคานุสัยและปฏิคานุสัยในที่นี้คือ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 กามราคานุสัยและปฏิคานุสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องภาวะราคานุสัยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยในที่นี้คือในรูปประธาและรูปประธาไม่ใช่นอนเนื่องแต่ภาวะราคานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยในที่นี้คือในสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุก์ไม่ใช่นอนเนื่องและภาวะราคานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่อง ปติเพราะว่าราคานุสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องกรรมราคานุสัยและปฏิคานุสัยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิเพราะว่าราคานุสัยและการมราคานุสัยในที่นี้คือในทุกขเวทนาไม่ใช่นอนเนื่องแต่ปฏิคานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องเพราะว่าราคานุสัยและปฏิคานุสัยในที่นี้คือในเวทนาสองและกรรมธาตุไม่ใช่นอนเนื่องแต่การมราคานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่อง ภาวราคานุใสในที่นี้คือในสภาวะธรรมที่ไม่นับเนื่องเหนือวัตทุไม่ใช่นอนเนื่องกามราคานุใสและปฏิคานุใสก็ไม่ใช่นอนเนื่องอนุกามราคานุใสและปฏิคานุใสในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องอวิชานุใสในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิรามราคานุใสและปฏิคานุใสในที่นี้คือในรูปะธาตุและรูปะธาตุไม่ใช่นอนเนื่อง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 ห้าสิบสองอนุกรรมราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องทิฏฐานนุสัยวิจิจิชนุสัยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่ปฏิวิจิจิชนุสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องกรรมราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่อนุ การมราคานุสัยปฏิคานุใสและมานานุใสในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องเพราะว่าราคานุใสในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่ปฏิเพราะว่าราคานุสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องการมราคานุใสปฏิคานุใสและมานานุใสในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิเพราะว่าราคานุใสการมราคานุใสและมานานุสัยในที่นี้คือ ในทุกเวทนาไม่ใช่นอนเนื่องแต่ปติคานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องเพราะว่าราคานุสัยและปฏิคานุสัยในที่นี้คือในเวทนาสองในกามธ า, าตุไม่ใช่นอนเนื่องแต่การมราคานุสัยและมานานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องเพราะว่าราคานุสัยในที่นี้คือในสภาวะธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุกุ์ไม่ใช่นอนเนื่องกรรมราคานุสัยปติคานุสัยและมานานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องอนุ การมาราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องเอาวิชานุสัยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่ปฏิเอาวิชานุสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องการมาราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่ ต, ติกกะมูลกะในจบจตุกะมูลกะในห้าสิบสาม อนุการมราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยและทิฏฐานุสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องวิจิจิชานุสัยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่ปฏิวิจิจิชานุสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องการมราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยและทิฏฐานุสัยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่เจตุกะมูลกะในจบ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 และวิจิกิจฉานุสัยในที่นั้นก็น ric, TA ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิเพราะวราคานุใสกรรมราคานุใสและมานานุสัยในที่นี้คือในทุกคเวทนาไม่ใช่นอนเนื่องแต่ปฏิคานุใสทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องเพราะวราคานุสัยและปฏิคานุสัยในที่นี้คือในเวทนาสองในความมธยฐาไม่ใช่นอนเนื่องแต่กรมราคานุใสมานานุสัย ทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องเพราะว่าราคานุสัยในที่นี้คือในสภาวะธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์ไม่ใช่นอนเนื่องกรรมราคานุสัยปฏิคานุใสมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุใสก็ไม่ใช่นอนเนื่องอนุกรรมราคานุใสปฏิคานุใสมานานุใสทิฏฐานุสัย และวิจิกิจชานุสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องอาวิชานุสัยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่ปฏิอาวิชานุสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องการมราคานุสัยปฏิตคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจชานุสัยและภวราคานุสัยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่ปัญจกกะโมลกะในจบฉากกะโมลกะใน ห้าสบห้าอนุกามราคานุใสปฏิฆานุใสมานานุใสทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยและภวราคานุสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องอวิชานุสัยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่ปฏิอวิชานุสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องกามราคานุสัยปฏิฆานุสัยมานานุใสทิฏฐานุสัย วิจิกิจชานุสัยและภวะราคานุสัยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่ชาประมูลกะในจบปฏิโลมะปุคโลกาตเอกะมูลกะในห้าสิบหก อนุกรารมาราคานุสัยของบุคคลใดในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องปฏ you ิคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิบุคคลสามเจมพูกในทุกขเวทนาการมราคานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่ปฏิคานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในรูปธาตุอรูปธาตุและในสภาวะธรรมที่ไม่นับเนื่งในวัตทุ การมราคานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องและปฏิคานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องการมราคานุสัยของบุคคลสองจำพวกในภูมิทั้งหมดไม่ใช่นอนเนื่องและปฏิคานุสัยก really ็ไม่ใช่นอนเนื่องปฏิปฏิคานุสัยของบุคคลใดในที่ทใดไม่ใช่นอนเนื่องการมราคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิบุคคลสามจำพวกในเวทนาสองในการมามธาตุ ปฏิคานุสายของบุคคลเหล่านั้นในที่นั w ้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่การมราคานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในรูปประทัดอารูปประทัดและในสภาวธรรมที่มีนับหนึ่งในวัตทุกข์ปฏิคานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องและการมราคานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องปฏิคารู้สัยของบุคคลสองเจมพูกในภูมิทั้งหมดไม่ใช่นอนเนื่องและการมราคานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องอนุ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 การมราคารุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องและมานานุสัย์เขาไม่ใช่นอนเนื่องอนาคามีบุคคลในเวทนาสองในกรรมท่าและในรูปาธาตุอรูปาธาตุการมราคานุสัยของบุคคล น, นั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่มานานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลนั้นนั่นแหละในทุกขเวทนาและในสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตถุ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 การมร a k a นุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องและวิจิกิจฉานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องการมร a k a นุสัยของบุคคลสองจำพวกในภูมิทั้งหมดไม่ใช่นอนเนื่องและวิจิกิจฉานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องปาฏิวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลใดในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องการมราคา n ุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิบุคคลสองจำพวกในเวทนาสอง ในกามา petit, ธาตุวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่ design, Например, นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่กรมราคานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในทุกคเวทนาในรูปธาตุอรูปธาตุและในสภาวะธรรมที่มีนับเนื่องในวัตทุกข์วิจิกิจฉานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องและกรมราคานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลสองจำพวกในภูมิทั้งหมดไม่ใช่นอนเนื่อง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 ปามราคานุส no no. no no. ัยของบุคคลนั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องและภวะราคานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องปัมมะราคานุสัยของอรหันตบุคคลในภูมิทั้งหมดไม่ใช่นอนเนื่องและภวะราคานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องปฏิภาวะราคานุสัยของบุคคลใดในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องปัมมราคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิ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 และกามราคานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องอนุกามราคานุสัยของบุคคลใดในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องอาวิชานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิบุคคลสามจำพวกในทุกเวทนาในรูปธาตุและอรูปธาตุกามราคานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่อวิชานุใส่ไม่ใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในสภาวะธรรมที่ไม่นับเนึ่งในวัตทุกข์รรมราคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องและอวิชานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องอนาคามีบุคคลในเวทนาสามในกามาธาตุและในรูปรธาตุอรูปรธาตุการมราคานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่อวิชานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลนั้นนั่นแหละในสภาวะธรรมที่ไม่นับหนึ่องในวัตทุกข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 และมานานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องอนาคามีบุคคลในเวทนาสองในกลางมรรทและในรูปธาตุอรูปธาตุปฏิคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่มานานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลนั้นนั่นแหละในทุกคเเทนาและในสภาวะธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัตถุกปฏิคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องและมานานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่อง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 บุคคลผู้เป็นปุตุชนในเวทนาสองในการมาธาตุและในรูปธาตุอารูปธาตุปฏิการนุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่วิจิกิจฉานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลนั้นนั่นแหละในสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์ปฏิการนุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องและวิจิกิจฉานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องปฏิการนุสัยของบุคคลสองจำพวกในภูมิทั้งหมดไม่ใช่นอนเนื่อง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 บุคคลสามจำพวกในรูปธาตุและอรูปธาตุปฏิคานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่ภาวะราคานุใสไม่ใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในเวทนาสองในคามมาธาตุและในสภาวะธรรมที่ไม่นับนึงในวัตทุกข์ปฏิคานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องและภาวะราคานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่อง นาคามีบุคคลในรูปธาตุและอรูปธาตุปฏิคารุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่ภาวะราคารู้สัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสามในกลามาธาตุและในสภาวธรรมที่ไม่นับนึงในวัตทุกข์ปฏิคารู้สัยของบุคคลนั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องและภาวะราคานู้สัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องปฏิคารุสัยของอรหันตบุคคลในภูมิทั้งหมดไม่ใช่นอนเนื่อง และภาวะราคานุส oh. ัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องปฏิเพราะว่าราคานุสัยของบุคคลใดในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องปฏิคานุสัยของบุคคลนั้นในที Krank ่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิบุคคลสามจำพวกในทุกขเวทนาภาวะราคานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่ปฏิคานุใสไม่ใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกามธาตุ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 บุคคลสามจำพวกในเวทนาสองในกามธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุปฏิการนุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่อวิชานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในสภาวะธรรมที่ม่นับเนื่องในวตัตทุกข์ปฏิการนุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องและอวิชานุสยัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องอนาคามีบุคคลในเวทนาสามในกามธาตุ